เหตุการณ์ในชีวิตคนเราถูกหลงลืมมากกว่าถูกจดจำคุณอุตสาห์ฝันตั้งเป็นชั่วโมงแต่ทั้งหมดมักถูกลบเลียงเพียงด้วยวินาทีแห่งการตื่นนอนและนั่นก็เป็นทํานองเดียวกับชีวิตเก่าที่อุตส่าห์ผ่านร้อนผ่านหนาวยาวนานหลายสิบปีกลับถูกลืมไม่เหลือเพียงด้วยช่วงเก้าเดือนของการอยู่ในท้องแม่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 แม่อยู่กับผมทั้งวันส่วนพ่อเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จะกลับมาบ้านในตอนเย็นมม่นีี้บุุญคอญ ต, อนอนตอนหนึ่งขวบผมแยกแยะได้ชัดเจนว่าพ่อเป็นอย่างไรแม่เป็นอย่างไรพี่สาวอีกสองคนเป็นอย่างไร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 ถึงเวลาพระมาพอพนมมือไหว้ทั้งยังมีผมอยู่ในอ้อมแขนและตักข้าวใส่บาตรให้ดูจากนั้นจึงถามผมว่าอยากใส่เองไหมผมรู้สึกตื่นเต้นและเห็นเป็นเรื่อง ท, าท้าทายเนื่องจากรู้สึกถึงมือที่เล็กเมื่อเทียบกับคันจับทพัพพีและก็รู้สึกถึงกำลังแขนที่ยังน้อยอยู่ชวนให้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถยกทัพีตักข้าวใส่บาตรพระไหวหรือเปล่าแต่ผมก็อยากใส่บาตร เกิดความเข้าใจขึ้นมาด้วยสัญชาติยานว่านั่นเป็นการทําอะไรที่ดีมากๆ<ป>เจ้คือดาวดูมน้อยของพอจะคุือพอเอาไว้พอจะพาเจ้าเดินข้ามไปสู่ปลายทางที่ดี ดูเหมือนพ่อจะช่วยประคองหน่อยๆแต่พอเห็นผมจับทับ พ, พีแน่นก็ปล่อยให้ทำเองและผมก็พบว่าตัวเองทำได้แม้รู้สึกยากและฝืนๆไม่ถนัดนักพอหย่อนกระจุก ข, ข้าวก้อนเล็กๆ ล, ลงบาสสำเร็จก็มีเสียงเฮดีใจจากรอบข้างส่งผลให้ผมหัวเราะร่ายอย่างแสนปลืม้มและเมื่อมีการขยันขยอให้เอาใหม่อีกครั้งผมก็ไม่ลังเลที่จะทำซ้ำและทำสำเร็จเป็นคารบสอง